สวัสดีครับแบดมินและเพื่อนๆ พ, พี่น้องชาวสมผัสสยองทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแฟนแรายการช่องนี้เหมือนกันซึ่งอยากจะนำประสบการณ์สยองขวัญที่ได้พบเจอมาเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มเล่าเรื่องเลยก็แล้วกัน สัมผัสสยองรีสอร์ทเฮียนผมชื่อนายบัณฑิตมีชื่อเล่นว่าแทนตอนนี้ผมอายุ26ปีแล้วครับผมเป็นแฟนรายการสัมผัสสยองมาสักพักหนึ่งแล้ว ก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์สยองน่ากลัวน่าขนลุกของผมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเมื่อสิบปีก่อนตอนที่ผมอายุ16ปีผมชอบเตะบอลมากเลยครับก็เลยได้รับเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนมาโดยตลอดการเตะบอลก็จะมีทั้งเตะแข่งกันบ้างเตะเดิมพันบ้างและก็เตะเล่นสนุกสนุกกันกับเพื่อนๆพี่ๆ น, น้องๆบ้างครับ อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนผมก็ได้นัดเตะบอลกันกับเพื่อนต่างอำเภอโดยตกลงกันว่าจะไปพักอยู่ที่รีสอร์ทของที่นั่นเพราะรีสอร์ทนั้นมีสนามบอลไว้ให้บริการด้วยพวกเราก็นัดวันเวลากันแล้วออกเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งมีรุ่นพี่ในทีมเป็นคนขับพอไปถึงรีสอร์ทที่นัดหมายกันเอาไว้ผมก็เห็นว่ามันดูแปลก เนื่องจากไม่มีคนมาใช้บริการเลยหลังจากที่พวกเราขนของที่นำมาไปเก็บไว้ในห้องที่จองเอาไว้และเดินสำรวจบริเวณโดยรอบก็ทำให้อดสงสัยอีกไม่ได้ว่าทำไมรีสอร์ทที่ดูสวยอย่างนี้กลับไม่มีคนมาใช้บริการเลยผมจึงหันไปถามไมเคเพื่อนผมว่าเฮ้ยมึงว่ารีสอร์ทนี้มันดูวังเวงแปลกๆไหมวะคนไม่มีเลย ทั้งนี่มันก็สวยดีอยู่เพื่อนผมมันก็หันมาตอบว่าก็คงเป็นเพราะแถวนี้มันมีรีสอร์ตอยู่เยอะมั้งผมก็เลยไม่คิดอะไรมากหลังจากนั้นผมก็นอนรอเวลาที่จะได้เตะ บ, บอลส่วนใอ้เคเพื่อนผมมันก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนนักบอลอีกทีมหนึ่งที่ได้นัดหมายกันเอาไว้พวกที่เหลือก็อยู่ห้องใครห้องมัน ผมนอนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามีคนมาเป่าหูผมทางด้านซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมาเป่าด้านขวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีแรกผมนึกว่าเพื่อนแกลงเลยไม่สนใจสักพักผมก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะแหลมแหลมแห้งแหงเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงเพราะผมนึกขึ้นได้ว่า เพื่อนผมในกลุ่มที่มาด้วยไม่มีผู้หญิงเลยผมก็รีบลืมตาขึ้นในทันทีมันกลับมีแต่ความว่างเปล่าส่วนไอ้เคเพื่อนผมมันก็นอนหลับอยู่ผมแปลกใจมากนอนคิดว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นสักพักไอ้เคมันก็ตื่นแล้วบอกว่ามันฝันเห็นผู้หญิงสวยมากมานั่งที่ปลายเตียงแล้วบอกกับมันว่า มาเป็นแฟนกันนะมาอยู่ด้วยกันพอผมได้ยินก็หัวเราะแล้วถามมันกลับว่าแล้วมึงตอบว่าไงวะมันบอกว่ามันตอบตกลงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้จากนั้นก็เข้ามากอดผมก็ได้แต่หัวเราะมันหลังจากนั้นเราก็นอนเล่นโทรศัพท์ต่อเพื่อรอเวลาไม่นานนัก ผมก็ได้ยินเสียงคนวิ่งที่หน้าห้องแล้วก็หัวเราะเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกันกับที่ผมได้ยินในตอนนั้นแต่ผมก็คิดแค่ว่าคงเป็นคนที่มาพักในรีสอร์ทไม่ทันไรก็มีเสียงคนมาเคาะประตูผมจึงเดินไปเปิดแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่หน้าห้องเลยพอมองดูนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาห้าโมงเย็ยนแล้ว เพื่อนๆที่นัดไวเริ่มทยอยกันมาพวกเราลงไปเตะบอลกันจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งก็แยกย้ายกันกลับส่วนผมก็กลับขึ้นมาบนห้องกับไอ้เคเพื่อนผมไอ้เคมันบอกผมว่าขออาบน้ำก่อนเพราะมันร้อนผมก็เลยนั่งดูทีวีรอมันสักพักมันก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วตะคอกด่าผมว่า มึงจะข้ออะไรนักหนาวะกูก็รีบรีบอาบอยู่นี่ไงรอหน่อยไม่ได้หรือไงวะผมก็งงสิครับเลยตอบไปว่ากูไปข้อตอนไหนกูนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยมันก็ทําหน้าต่างงดหงิดใส่ผมแล้วก็ปิดประตูห้องน้ําไปอาบน้ําต่อพอมันอาบเสร็จตอนนี้มันเริ่มใจเย็นลงแลว้วมันก็มาพูดกับผมอีกว่า เมื่อกี้ใครมาครอบประตูวะผมบอกกับมันว่าไม่มีใครกูก็นั่งดูทีวีอยู่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยพอผมพูดจบผมก็สังเกตเห็นได้เลยว่าสีหน้าของไอ้เคมันเปลี่ยนไปจึงถามมันว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ตอบอะไรผมเลยเดินไปอาบน้าต่อจากมัน ในระหว่างที่ผมอาบน้ำอยู่นั้นก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังแอบมองผมอยู่ผมหันซ้ายหันขวาก็ไม่เห็นอะไรแต่ก็ไม่คิดอะไรมากอาบน้ำต่อไปจนมาถึงตอนที่สระผมในขณะที่ผมกำลังเกาหัวทำความสะอาดอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีมือมาช่วยเกาอีกแร่งทางด้านหลัง ผมรีบล้างหน้าเอาแชมพูที่ติดอยู่ออกไปแล้วหันกลับไปมองก็ไม่เห็นมีอะไรตอนนั้นผมเริ่มระแวงแล้วว่ามันคืออะไรจึงรีบสระผมและอาบน้าให้เสร็จพอผมเดินออกมาจากห้องน้าก็ไม่เห็นไอเคแล้วคิดว่ามันคงออกไปหาพวกเพื่อนๆที่ห้องอื่นผมจึงอยู่ห้องคนเดียวสักพักก็ได้ยินคนคุยกันเบาๆ เหมือนมันซุบซิบกันผมจึงเงียบแล้วตั้งใจฟังเสียงนั้นก็ได้รู้ว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงซึ่งพอจะจับใจความได้คร่าวๆว่าเอามันเลยเอามันมาอยู่กับเราด้วยนะพีผมพยายามจะหาที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เจอคิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่วไปก็ได้แต่ได้ความเพลียจากการเตะบอล ผมเลยตัดสินใจปิดไฟนอนก่อนเลยเดี๋ยวไว้เคมันก็คงจะกลับมาเองในขณะที่ผมกำลังเคลิ้มจะหลับก็ได้กลิ่นเหม็นเมเหมือนมีอะไรเน่าอยู่ในห้องผมจึงลืมตาแล้วลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปเปิดไฟหาที่มาของกลิ่นนั้นจู่ๆก็มีเสียงคนวิ่งอยู่ที่หน้าห้องพร้อมกับเสียงหัวเราะ อ, อันเย็นเยอืเยอก ผมรีบเปิดไฟแล้วเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเสียงวิ่งที่หน้าห้องหายไปและกลิ่นเหม็นนั้นก็หายไปพร้อมกันด้วยผมปิดประตูปิดไฟแล้วเดินกลับมาเพื่อจะนอนต่อในขณะที่ผมกำลังเดินมาที่เตียงก็มีคนมาเคาะประตูอีกพอเปิดด อ, อกดูก็ไม่มีใครแล้วกลิ่นเหม็นเน่านั้นก็กลับมา ตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วจึงรีบวิ่งมาคลุมโปงสักพักก็มีเสียงเคาะประตูเคาะอยู่อย่างนั้นพักหนึ่งเพราะผมไม่เปิดจากเสียงเคาะก็กลายเป็นเสียงทุบผมกลั้นใจเอาผ้าที่คลุมโปองออกร้องถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นว่านันเคเหระถ้าใช่มึงก็เปิดประตูเข้ามาเองสิกูไม่ได้ล็อก พอสิ้นประโยคนี้ก็มีเสียงคนหัวเราะแต่ครั้งนี้มันมีถึงสองเสียงผมกลัวมากได้แต่บอกกับตัวเองว่าโดนผีหลอกแล้วกูทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกเองมันเปิดอย่างช้าๆพร้อมกับลมเย็นๆบวกกับกลิ่นเหม็นเน่าพัดเข้ามาผมเห็นว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีใครยืนอยู่เลย ผมรีบเอาผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง่งนอนขดตัวพร้อมกับตัวสันอยู่ในนั้นแล้วประตูก็ปิดอย่างแรงไฟในห้องที่ผมเปิดไว้ก็ดับสักพักก็มีเสียงฝักบัวในห้องน้ำเปิดมีเสียงน้ำไหลเหมือนกับว่ามีคนอาบน้ำอยู่ในนั้นตามมาด้วยเสียงร้องไห้ของผู้หญิงมันทำเอาผมแทบสตีแต่ เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวผมก็รู้สึกว่าที่นอนของผมตรงข้างลำตัวทั้งสองข้างเหมือนมีคนมายืนอยู่เพราะมันยุบลงไปแล้วผมก็ขยับตัวไม่ได้เริ่มอึดอัดหายใจไม่ออกยอมรับตรงๆเลยว่าวินาทีนั้นผมร้องไห้เลยครับได้แต่ภาวนาใครก็ได้ช่วยผมทีพ่อครับแม่ครับช่วยลูกด้วย สักพักก็มีคนมาหัวเราะและพูดว่ามึงมาอยู่กับกูเถอะกูจะเลี้ยงมึงอย่างดี <laughs> ผมได้ยินดังนั้นก็ชีร่าที่นอนเลยครับตอนนั้นผมตัวเกร็งไปหมดสั่นไปทั้งตัวและยิงร้องไห้หนักกว่าเดิมพยายามที่จะดินร้องให้คนมาช่วยแต่ก็ทำไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้น ภาพมของผมค่อยๆไหลออกไปเหมือนกับมีคนดึงมนันออกทําให้ผมได้กลิ่นเหม็นนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงหน้าของผมนี่เองเพอผมลืมตามองก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือดวงตาที่แดงก่ำของเธอคนนั้นและใบหน้าที่ยิ้มอย่างน่าสยดสยอง ในขณะที่ผมกําลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าจูจูสายตาผมก็เหลือไปเห็นเท้าตกลงมาจากด้านบนและห้อยตองแต่งอยู่อย่างนั้นพอผมมองขึ้นไปบนเพดานก็ถึงกับชอ็อกและเกรงกว่าเดิมเพราะสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเชือกเชือกที่กําลังแขวนคอศพศพหนึ่งห้อยติดอยู่กับพัดลมเพดานมันทําให้ผมกลัวถึงขีดสุด ผมกรีดร้องสุดเสียงเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่มีเสียงร้องออกมาหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอ ม, มารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นตอนบ่ายของอีกวันหนึ่งแล้วผมอยู่โรงพยาบาลและขาหักข้างหนึ่งส่วนขาอีกข้างก็เจ็บแขนทั้งสองก็เจ็บผมเลยถามแม่ที่อยู่ตรงนั้นว่าผมเป็นอะไร สิ่งที่แม่ตอบ ก, กลับมามันทำให้ผมตกใจมากแม่บอกผมว่าผมโดนหน้าต่างรีสอร์ทลงมาโชคดีที่ยามเดินผ่านไม่เห็นผมนอนสลบอยู่ที่พื้นด้านล่างจึงไปเรียกเพื่อนๆของผมมาแล้วพาส่งโรงพยาบาลส่วนหน้าต่างที่ผมโดดนั้นมันอยู่ชั้นสองถ้าสูงกว่านี้คงจะไม่รอดแม่ผมก็ถามว่า คิดอะไรถึงโดดลงมาผมตอบแม่ไปว่าผมไม่รู้ลาวได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่จึงบอกกับผมว่าถ้าหายดีแล้วจะพาไปบวชจากนั้นผมกับแม่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อไม่นานหลังจากนั้นพวกเพื่อนๆก็มาเยี่ยมลาวบอกกับผมว่าให้เคผูกคอตายที่บ้านมันเมื่อเชา้านี้หลังจากที่พวกเพื่อนๆส่งมันกลับบ้าน เพื่อนๆที่ไปส่งต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่นั่งรถไปส่งถึงบ้านไอ้เคมันไม่พูดอะไรเลยเอาแต่เมื่อลยลอยการตายของไอ้เคทำให้ทุกคนแปลกใจมากเพราะมันเป็นคนร่าเริงไม่น่าจะคิดสั้นแบบนี้ผมเองก็งงและเสียใจกับการจากไปของเพื่อนรักแต่ผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่ผมเจอมาให้เพื่อนๆฟัง และตอนที่เพื่อนถามว่าโดดหน้าต่างทำไมผมก็บอกแค่ว่าผมพลาดตกลงมาเองเท่านั้นเรื่องรีสอร์ทผมเองก็ได้มารู้ทีหลังว่าเคยมีผู้หญิงมาผูกคอตายเพราะอกหักต่อมามีผู้หญิงเข้ามาพักก็ได้ผูกคอตายที่นั่นอีกคนที่เคยไปพักที่นั่นต่างบอกต่อๆกันว่าที่นั่นนอนไม่ได้เลย ผีดุมากส่วนการตายของไอ้เคเพื่อนผมผมก็ได้มาคิดเอาตอนหลังว่าหรือว่าที่ไอ้เคตายอาจเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นที่มาเข้าฝันบอกให้มันไปอยู่ด้วยเรื่องนี้อาจจะฟังดูแล้วเหลือเชื่อแต่สำหรับผมที่เจอมากับตัวเต็มๆถึงกลับไม่กล้าไปพักตามรีสอร์ทหรือโรงแรมอีกเลย y o